สวัสดีค่ะท่านฟังที่ทาง FM 106 ครอบครัวข่าวข่าวและเราก็กําลัง <c oughs> เอ่อพูดจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นภาระเท่าไหร่นะคือหมายความ นฬาอาจจะไม่บอกคนอื่นอย่างเงี้ยแต่ว่าธรรมะเนี่ยเรา เอ่อเหมือนกับให้กล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันกับที่ท่านพูดกันเมื่ออืม เอ่อนี่เขาเรียกว่าการแสดงธรรมนั่นคือการบอกต่อค่ะเอ่อทีนี้วัน Google นะคะเอ่ออยาก<หม> แต่เค้าได้พูดถึงว่าในส่วนของที่เค้าได้เล่าให้ฟังว่าอ่าเป็นพระสูตรที่ แล้วเค้าก็มีหมายเหตุตรงนี้เลยค่ะว่าส่วนเนี้ยไม่ ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในพระฤดิบกเค้าก็ดบไปชัดเจนว่าเอ่อพฤเจ้าตระกะใครอ่ะใครเป็นคนลงอาสาพวกนี้น่ะก็ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆค่ะนะเพราะฉะนั้นเค้าก็เค้าก็ดบมาในนี้ว่าเป็นอย่างเงี้ยเราก็เอามาพูดตามซึ่งซึ่งถามว่าถูกมั้ยจริงมั้ยเอ๊ะเราก็ไปลองเปรียบ นี่ก็เป็นวิธีในการตรวจสอบว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้ค่ะก่อนที่ท่านจะอธิบายอะไรต่อไปดิฉันขอของพระพุทธองค์นะคะเอาเลยเอาเลยในเรื่องนี้ท่านตรัสเอา 2 3. อยถืออวะจริงเพราะเหตุล單 4. อยถืออวะจริงเพราะเหตุล Lebanon 5. อยถืออวะจริงเพราะเหตุลảo waa การใช้เหตุผลทางตากระคาดขนี 6. อยถืออวะจริงเพราะเหตุล Leban 7. อยถืออวะจริงเพราะเหตุล�at waa การตรึกตามอาการ 8 อย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสัก ยังมีตอนท้ายค่ะท่านค่ะอ้าวมีคือเอ่อเล่ม Twitter Facebook เนี่ยนะเราย่อยข้อมูลได้นี้เราย่อยนะคือหมายความว่า เวลาผู้ชาตราทเนี่ยตลาดทั้งกระสูดเนี่ยเราต้องไคลครัวในหมดเลยนะทั้งพิสูจน์ เมื่อคนเนี่ยท่านทั้งหลายเนี่ยคือหมายถึงกับอารัตดาบทกาลามโคตรด้วยนะที่เป็นคนที่สอนพระเจ้า<ใช> นะถ้าใครสักคนในคนหนึ่งมีราคะโทสะโมหะมากลุ้มรุมเฮ้ยอันนี้มันประกอบด้วยเออคนนี้ พูดมามีอ้างในข้อมูลตรงนี้แต่เราไม่มีราคะนะไม่มีโทสะไม่มีโมหะพอ 4 อย่างคุณ 4 อย่าง แต่ที่ว่าเอาราคะโทสะโมหะเนี่ยมาเป็นตัวเปรียบเทียบในการที่คุณจะเชื่ออะไรหรือคุณจะไม่เชื่ออะไรนะแต่ไม่ใช่เอา 10 อย่างแรกนั้นไม่ใช่แค่นั้นนะ 10 อย่างนั้นยกไว้ก่อนเลยคุณไม่ต้องเอาไป ใช้เบสมาร์คนี้นะถ้าเราตัดสิน 4 อย่างนี่ 4 อย่างตรงนี้ๆนะความเบาใจในปัจจุบันนี้นะเราเป็นคนมีศีล นะโกรธนามุใจเราก็เป็นสุขๆปัจจุบันความเบาใจอย่างที่ 2 ที่เราจะได้ก็คือเราจะๆนะสมมุติโลกหน้ามีจริงๆข้อ 3 ก็ 3 คือถ้าบาป นั่นเราก็จะไม่เป็นเพราะเราเพราะบาปเราไม่ได้ทํานะเราจะมี 10 ข้อแรก <Okay. S 1> 3 กับ 1 3 กับ 4 ข้างหลังนะ นั่นคือถ้าเราจะอาศัยคนอื่นนะโดย 10 ข้อแรกแล้วเราจะรู้เนี่ยอย่าพึ่งนะแต่ให้อาศัยด้วยตัวเองรู้ได้ด้วยคือคีย์เวิร์ดสําคัญอันข้อว่าฟังตามกันมาอย่า หรือตริตรึกตามอาการที่ปรากฏหรือต้องกับความเห็นตัวเองหรือผู้พูด มีแค่นี้สมบูรณ์หรือยังท่านคะยังไม่สมบูรณ์ค่ะว่าคุณเอาอะไรมาตรวจสอบนะตรงเนี้ยเป็นเบนช์มาร์คค่ะสงสัยท่านต้องหาใครเอา สับสนอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะระหว่างโลภะโทสะกับราคะโทสะโมหะเนี่ยอันไหนถูกกว่ากันอ่ามันมันเป็นสายเดียวนะโลภะเนี่ยมันขึ้นเลย ไม่ใช่ใช่ไม่ตรงนี้เราจะรู้ได้เฉพาะตนละค่ะตรงนี้เราจะรู้ 4 อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยคือ 10 ข้อแรกไม่นะเราต้องมีต่ออีก 3 ข้อ 1 ก็คือเรื่องราคะโทสะ 5 นั้น +5 +4 ถึง 4 อย่างความ 4 อย่างอ๋อค่ะนะคะก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเนี่ยเราคงจะต้องอาศัยกาลามสูตรอย่างสมบูรณ์ๆแล้ว คือก็คงจะได้เท่านี้นะคะต้องนําเอามาประกอบกันก็คงจะได้เท่านี้นะคะสําหรับค่ะนะ นำเอาธรรมะไปสู่